น, นันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นครสิตารามเขตโครมโกสัมพีณที่นั้นแหละท่านพระอานนท์เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศ จ, จริงไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะความเศร้าโศกและปริเทวะความร่ําไรเพื่อดับทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทําให้แจ้งนิพพานคือจักสุ ตาชื่อว่าจากเป็นจักสุนั้นนั่นเองคือรูปเหล่านั้นก็จะไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะน <im> <im> ั้นก็จะไม่รับรู้รูปเหล่านั้นโสตะหูชื่อว่าจากเป็นโสตะนั้นนั่นเองคือเสียงเหล่านั้นจะไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จะไม่รับรู้เสียงเหล่านั้นคานะจมูกชื่อว่า จักเป็นคาณะนั้นนั่นเองคือกลิ่นเหล่านั้นจักไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จักไม่รับรู้กลิ่นเหล่านั้นชิวหาลินชื่อว่าจักเป็นชิวหานั้นนั่นเองคือรสเหล่านั้นจักไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จักไม่รับรู้รสเหล่านั้นกายชื่อว่าจักเป็นกายนั้นนั่นเอง เพื่อโพธะเพะเหล่านั้นจะไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จะไม่รับรู้โพธพะเหล่านั้นเมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์คนผู้มีสัญญาเท่านั้นหรือว่าคนไม่มีสัญญาไม่รับรู้อายตนะนั้นท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุ คนมีสัญญานั้นก็ไม่รับรู้อายตนะได้หรือคนไม่มีสัญญาก็ไม่รับรู้อายตนะนั้นได้ท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุคนผู้มีสัญญาอย่างไรจึงไม่รับรู้อายตนะนั้นท่านพระอนนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้บรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่ เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาภิกษุผู้มีสัญญาอย่างนี้แหลย่อมไม่รับรู้อายตนะนั้นภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ภิกษุผู้มีสัญญาอย่างนี้แหลย่อมไม่รับรู้อายตนะนั้น ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาญตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ภิกษุผู้มีสัญญาอย่างนี้แหละย่อมไม่รับรู้อายตนะนั้นผู้มีอายุครั้งหนึ่งผมพักอยู่ณนะอัญชนามิกทายวันเมืองสาเกตครั้งนั้นแหละภิกษุณีชื่อชดินละพาคิกาเข้าไปหาผมจนถึงที่อยู่ ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรครั้นแล้วด้วยกล่าวกับผมดังนี้ว่าท่านอาหนุนผู้เจริญสมาธิใดอันกิเลสน้อมไปไม่ได้นำไปไม่ได้ไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งชื่อว่าตั้งมั่นแล้วเพราะหลุดพ้นชื่อว่ายินดีเพราะตั้งมั่นชื่อว่าไม่จะดุ้งเพราะยินดีสมาธินี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีอะไรเป็นผลเมื่อชดินละภาคิกาภิกษุณี ก, กล่าวอย่างนี้แล้วผมได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงสมาธิใดอันกิเลสน้อมไปไม่ได้นำไปไม่ได้ไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยทำเครื่องปรุงแต่งชื่อว่าตั้งมั่นแล้วเพราะหลุดพ้นชื่อว่ายินดีเพราะตั้งมั่นชื่อว่าไม่สะดุ้งเพราะยินดีสมาธินี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีอรหัตเป็นผลผู้มีอายุภิกษุผู้มีสัญญาอย่างนี้ย่อมไม่รับรู้อายตนะนั้นอนันทสูตรที่6จบเจ็ดโลกายาติกะสูตร ว่าด้วยพรามผู้ชำนาญคัมพีโลกายัตครั้งนั้นพรามผู้ชำนาญในคัมพีโลกายัตสองคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนธนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนัท่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมท่านปุโรณกัสสะเป็นสัพพัญู เห็นสิ่งทั้งปวงปฏินยายานทัศนะอย่างเบเสเ็ตว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ยานทัศนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปเธอกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้เห็นโลกอันไม่มีที่สุดด้วยยานอันไม่มีที่สุดท่านพระโคโดมแม้แต่ท่านนิ ค, ครนหน้าตบุตรนี้ก็เป็นสัพพันยูเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิน ญ, ญาญาณทัศนะอย่างเบเสเ็จว่า เมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ยานทัศสนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปเธอกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้เห็นโลกอันไม่มีที่สุดด้วยยานอันไม่มีที่สุดท่านพระโคโดมทั้งสองคนนี้ต่างพูดอวดความรู้กันต่างพูดขัดแย้งกันใครพูดจริงใครพูดเท็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยพราม เรื่องที่คนทั้งสองคนนี้ต่างพูดอวดความรู้กันต่างพูดขัดแย้งกันใครพูดจริงใครพูดเท็จนี้จงพักไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์เหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าพราหมณ์ปรียบเหมือนบุรุษสี่คนยืนอยู่สี่ทิศ ตางมีฝีเท้าวิ่งได้เร็วและก้าวได้เร็วพวกเขาต่างมีฝีเท้าเร็วเช่นนี้เปรียบเหมือนนายขมังธนูถือธนูไว้มั่นศึกษามาเจนจบฝีมือช่ำชองผ่านการประลองฝีมือมาแล้วพึงใช้ลูกธนูชนิดเบาๆยิงเงาตาด้านขวางให้ผ่านไปได้โดยไม่ยากและยิงได้รวดเร็วกว่าการก้าวเท้าดังที่กล่าวมาเปรียบเหมือนจากมหาสมุทรในทิศตะวันออก ถึงมหาสมุทรในทิศตะวันตกถ้าบุรุษผู้ยืนอยู่ทางทิตะวันออกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินไปถึงที่สุดโลกเขางดกินเดิมเคี้ยวและลิม้มงดถ่ายอุจจาระและปัสสาวะงดหลับและพักผ่อนเขามีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีเดินไปได้ตลอดร้อยปียังไปไม่ถึงที่สุดโลกเลยจะพึงตายเสียก่อนในระหว่าง ถ้าบุรุษผู้ยืนอยู่ทางทิศตะวันตกละถึงทางทิศเหนือละถึงถ้าบุรุษผู้ยืนอยู่ทางทิศใต้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินไปถึงที่สุดของโลกเขางดกินดื่มเคี้ยวและลิ้มงดถ่ายอุจจาระและปัสสาวะงดหลับและพักผ่อนเขามีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีเดินไปได้ตลอดร้อยปี ยังไปไม่ถึงที่สุดโลกเลยก็จะพึงตายเสียก่อในระหว่างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราจะไม่กล่าวว่าบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงที่สุดโลกได้ด้วยการวิ่งไปเช่นนี้แต่เราก็ไม่กล่าวว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดโลกจะทําที่สุดทุก์ได้พราหมณ์กามคุณห้าประการนี้เรียกว่าโลกในอริยวินัย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 ภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกคนพวกอื่นกล่าวถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุน yes ah ี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้แม้เราเองก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้ภิกษุบรรลุทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเราก็เรียกว่า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 เพราะล่วงรู ป, ญญปสัญญาดบปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาเราก็เรียกว่าภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกคนพวกอื่นกล่าวถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้พิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้พิกษุนนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้ ภิกษุล่วงอากาสารนัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ละถึงภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาณัยตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ละถึงภิกษุล่วงอากินจัญญาณัายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่เราก็เรียกว่าภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกคนพวกอื่นกล่าวถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ข้อเขี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ข้อเขี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้ ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญาจตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยินิโรธอยู่อาสะวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาเราเรียกว่าภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกข้ามพ้นตันหาเครื่องข้องในโลกได้โลกาญติกะสูตรที่เจจบ เทวาสุระสังฆามอสูตรว่าด้วยสงครามระหว่างเทวดากับอสูรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประจันหน้ากันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกอสูรชนะพวกเทวดาแพพวกเทวดาที่แพได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือพวกอสูรได้ไล่ตามไป ครั้งนั้นแหลพวกเทวดาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกอสูรกําลังไล่าตามมาทางที่ดีเราควรรบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองพวกเทวดาได้รบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองแล้วแม้ครั้งที่สองพวกอสูรก็ชนะอีกพวกเทวดาแพ้และพวกเทวดาที่แพ้ได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือพวกอสูรได้ไล่าตามไปภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแหล atte, พวกเทวดาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกอสูรกําลังไล่ตามมาทางที่ดีเราควรรบกับ um พวกอสูรเป็นครั้งที Pod ่สามพวกเทวดาได้รบกับพวกอสูรเป็นครั้งที Salt ่สามแล้วแม้ครั้ง <Hebrew> ที่สามพวกอสูรก็ชนะอีกพวกเทวดาแพ้พวกเทวดาที่แพ้ต่างก็กลัวพากันเข้าไปยังเทพบุรีก็แลพวกเทวดาที่อยู่ในเทพบุรีได้มีความคิดดังนี้ว่า บัดนี้พวกเราได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่พวกอสูรจะทำอะไรเราไม่ได้แม้พวกอสูรก็ได้มีความคิดแตงนี้ว่าบัดนี้พวกเทวดาได้มีเครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่พวกเราจะทำอะไรพวกเทวดาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประจันหน้ากันแล้ว ในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้พวกอสูรที่แพ้ได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศใต้พวกเทวดาได้ไล่ตามไปครั้งนั้นแหละพวกอสูรได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเทวดากำลังไล่ตามมาทางที่ดีเราควรรบกับพวกเทวดาเป็นครั้งที่สองพวกอสูรได้รบกับพวกเทวดาเป็นครั้งที่สองแล้วแม้ครั้งที่สองเทวดาก็ชนะอีก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 พวกอสูรแพ้พวกอสูรที่แพ้ต่ามก็กลัวพากันเข้าไปยังอสูรบุรีก็แลพวกอสูรที่อยู่ในอสูรบุรีได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้เราได้เครื่องป้องกันตนจากความขลากลัวอยู่พวกเทวดาทําอะไรเราไม่ได้แม้พวกเทวดาก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พวกอสูรได้เครื่องป้องกันตนจากความขลากลัวอยู่ พวกเราจะทําอะไรพวกอสูรไม่ได้ภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันสมัยใดภิกษุสงังอาจจากกามและอคติธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตตกวิจารณปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่สมัยนั้นภิกษุมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่มารจะทําอะไรเราไม่ได้ แม้มารผู้มีบาปก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ภิกษุได้เครื่องป้องกันตนจากความขลากลัวอยู่เราจะทำอะไรภิกษุไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานสมัยนั้นภิกษุได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราได้เครื่องป้องกันตนจากความขลากลัวอยู่ มารจะทำอะไรเราไม่ได้แม้มารผู้มีบาปก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบาัดนี้ภิกษุได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่เราจะทำอะไรภิกษุไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุบรรลุอากาสารนัญจา ย, ยตนะฌานโดยกาหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กาหนดนานตสัญญา ภิกษุนี้เราเรียกว่าทำให้มานสิ้นสุดไร้ร่องรอยปิดตามานผู้มีบาปจนมองไม่เห็นข้ามพ้นตันหาเครื่องข้องในโลกได้แล้วภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุล่วงอากาสารนันจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญ ญ, ญาณนันจายตนะชาญโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ละถึง ล่วงวิญญาณัญจายตนาชาดโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินัญญายตนาชาดโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ละถึงล่วงอากินัญญายตนาชาดโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาชาดอยู่ละถึงล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาดโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียตนิโรธอยู่อาสวรรทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญาเราเรียกว่าภิกษุนี้ทำให้มารสิ้นสุดไร้ร่องรอยปิดตามารผู้มีบาปจนมองไม่เห็นข้ามพ้นตันหาเครื่องข้องในโลกได้แล้วเทวาสุรสังคามาสูที่8ดจบ ูว่าด้วยการหาความสงบของพญาช้างภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่านขนควายเที่ยวหาขินอยู่เหล่าช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กเดินไปข้างหน้าข้างหน้าทำลายยอดหญ้าพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทานั้นภิกษุทั้งหลาย สมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่าขนขวายเที่ยวหากินอยู่เหล่าช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กต่างก็พากันกินกิ่งไม้ที่หักลงมาพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทํานั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่าลงสู่ท่าน้ำเหล่าช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็ก ตางก็เดินไปข้างหน้าข้างหน้าใช้งวงกวนน้ําให้ขุนพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึอดอดัดระ อ, อารังเกยียจเพราะการกระทํานั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่าขึ้นจากท่าน้ําแล้วช้างพังย่อมเดินเสียสีกายไปพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอดัอดระ อ, อารังเกยียจเพราะการกระทํานั้นภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้นพญาช้างที่อยู่ในป่าได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราอยู่พลุกพล่านไปด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาดื่มน้ําที่ขุณและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ําช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปทางที่ดีเราควรหลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวต่อมาพญาช้างนั้น ได้ลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวกินหญ้ายอดไม่ด้วนไม่ถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่ตนหักลงมาดื่มน้ำที่มีขุนและเมื่อพญาช้างนั้นขึ้นจากท่าน้ำก็ไม่ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไปภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นพญาช้างที่อยู่ในป่ามีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่พลุกพล่านไปด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็ก กินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่าน uh ั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาดื่มน้ำที่ขุนและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำก็ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไปบัดนี้เรานั้นได้ลุออกจากโคลงมาอยู่ผู้เดียวกินหญ้ายอดไม่ด้วนไม่ถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาดื่มน้ำที่มีขุนและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำก็ไม่ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไป พญาช้างนั้นใช้งวงหักกิ่งไม้ใช้กิ่งไม้ปัดกายมีใจเบิกบานบำบัดโรคคันภิกษุทั้งหลายในทานองเดียวกันสมัยใดภิกษุอยู่พลุกพล่านไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรถีและพวกสาวกของเดรถีสมัยนั้นภิกษุมีความคิดอย่างนี้ว่า บัดนี้เราแลอยู่พลุกพล่านไปด้วยพิกสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอ ม, มาทของพระราชาเดรธีและพวกสาวกของเดรธีทางที่ดีเราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวเธอใช้สอยเสนาสนะอันสังัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชา้าป่าทึบที่กลางแจ้งลอมฟาง เธอไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีหรือไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมนั่งคููบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโลกได้มีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทได้แล้วมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสพัพสัต์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาท ละถีนมิทะปราศจากถีนมิทะมีอาโลกสัญญากำหนดหมายแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุทจักกุกกุจจะเป็นผู้มีฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกกุจจะและวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาเธอละนิวรณ์หาประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาสงัดจากการมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอมีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคขันได้บรรลุทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌาน เธอมีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคขันได้ภิกษุบรรลุอากาสานัญญานจตนาชาโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิคาสัญญาไม่กำหนดนา น, นาตัสัญญาเธอมีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคขันได้ภิกษุล่วงอากาสานัญจาัตนาชาโดยประการทั้งปวง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 ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่สะวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาเธอเป็นผู้มีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคคันได้นาคสูที่เก้าจบ